ตายละว่ายายน้อยแกจะไปตั้งพระราชวังสำราญกลางป่าหรือยังไงชยยายันครางอุ้ออกมาเชิดฐาจุปากพร้อมกับโครงศีรษะช้าช้าหันไปมองดูน้องสาวผู้ยืนมองอยู่บนระเบียงของบ้านพักปลูกสูงอยู่บนโขดหินใหญ่ถึงว่าสินึกแล้วไม่มีผิดว่าเด็กนี่คงจะต้องทำความยุ่งใหญ่ให้แก่พวกเราแล้วก็หันมาทางระพินหัวเราะดิจดจืด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 ที่ทำวิทยานิพนธ์ค้างไว้อย่างมิเสร็จและในระหว่างเดินทางนักศึกษาคนนั้นจะทำงานส่วนตัวต่อในเวลาว่างลูกจ้างผู้เป็นพรานนำทางก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาเกี่ยวอ๋อเขารากเสียงยาวหน้าตายอยู่ตามเดินมองไปที่เครื่องเล่นจานเสียงคุณชายเชฐิฐาหรือนิชนันก็คุณชายยันคงจะเป็นนักเพลงที่ขาดเสียงดนตรีไม่ได้ ตางามของหม่อมราชวงศ์คนสวยเขี้ยวปัดปรับปรเปลือขึ้นมาในบัตรนั้นตาเสือสมิงก็เห็นจะไม่คมน่ากลัวเท่าสำหรับผานใหญ่อย่างระพินของผู้นี้มันเป็นของของฉันทั้งนั้นแหละทําไมคุณขัดข้องอะไรเหรอที่ฉันจะเอามันไปด้วยหรือว่าตัวคุณเองจะต้องมารับภาระแบกหามไหนลองบอกมาสิในการที่เราจ่ายให้คุณนําทางครั้งนี้คุณกําหนดโค้ต้าให้เรามีอะไรติดตัวไปได้บ้าง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 เชษฐาและชายยันก็หันมาร้องทักเป็นไงห้องใดนิ่งร่มในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยกลิ่นไอป่าดงพงพีของเราค่ำวันนี้ชายยันพูดขึ้นปนหัวเราะอย่างอารมณ์ร่าเริงโรแมนติกชวนเคลิ้มมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงเทียนวายแดงแล้วก็เซเรเน็ตเพลงนั้นพรานใหญ่ตอบยิ้มยิ้มกรสายตาไปรอ บ, รอบ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 ผมขอรับเชิญนี้ด้วยความยินดีฉันนึกว่าฉันจะทําความรําคาญไม่พอใจให้คุณเสียอีกดาลินผู้ชายเย็นพร้อมกับลุกขึ้นยืนระพินหัวเราะขันขันขยับเก้าอี้หัวโตให้กับปลอนหญิงสาวสุดกายลงนั่งพร้อมกับบอกขอบคุณเรียบๆหม่อมราชวงเชษฐานั่งที่หัวโต๊ะอีกด้านหนึ่งระพินและชายยันนั่งตรงกันข้ามการร่วมรับประทานอาหารข้ามมื้อ น, นั้น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 คุณรู้สึกว่าข้าวของที่เราจะเอาติดไปด้วยเหล่านี้มากมายเกินกว่าจำเป็นหรือพรานใหญ่ทำหน้าตื่นหาไม่ได้เลยครับมหาราชินีในอินเดียหรือควีนอลิซาเบธเวลาเสด็จประพาสป่าพระองค์มีสัมภาระข้าวของที่จะโดยเสด็จด้วยตั้งมากมายก่กองมากกว่าคณะของเราหลายเท่านักทุกคนรู้ว่านั่นเป็นคำประชดแบบกึ่งสับย่อร้อเรียนโดยสุภาพของเขา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 คุณอาจหัวเราะหรือนึกดูหมิน่นฉันในข้อที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงเมื่อร่วมคณะเดินทางไปด้วยฉันก็วุ่นวายจัดเตรียมอะไรเั่นดีที่ทําให้คุณดูเป็นการมโหราณเกินความจําเป็นไปแต่คุณลืมนึกไปสิว่าฉันเป็นคนรอบคอบและหวังดีต่อพวกเราทุกคนขอบอกให้ทราบเสียหน่อยนะคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทผิวบางที่เหมือนผู้หญิงทั่วไปอย่างที่คุณคิดหรอก ฉันเคยผ่านกับชีวิตกล้อนกล้าเหนื่อยยากลมเคินมาแล้วถึงจะไม่เก่งเท่าคุณก็ใช่ว่าจะไม่เคยริมรถมันสิเลยฉันเคยเดินป่ามาแล้วหลายแห่งที่ถือกันว่าเป็นป่าดุร้ายกันดานที่สุดไม่ว่าจะในแอฟริกาหรือโดงดิบแถบอเมริกาใต้การศึกษามนุษยวิทยาของฉันบังคับฉันให้ต้องบุก บ, บันเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะระแวงอยู่ในข้อที่ว่าฉันไม่เข้าใจชีวิตการเดินป่าแล้วก็ คุณเข้าใจผิดมากโอ้รพินอุทานออกมาทําท่าตกใจแต่รอนรู้ว่าเขาอยู่ในอาการล้อเลียนเช่นเดิมผมไม่ได้มีความคิดจะดูหมิ่นอะไรคุณหญิงเลยครับเป็นความสัตย์จริงแต่ผมเกรงไปว่าการศึกษามนุษยวิทยาของคุณหญิงกับการไต่ตู้ติดตามค้นหาคุณชายอนุชาครานี้มันอาจไม่เหมือนกันนะักไม่เหมือนกันยังไง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 ลูกหาบของเราหาได้อย่างเหลือเฟือจะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้พรานใหญ่หัวเราเบาๆจุดบรี่สูบเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ้มสุภาพราบเรียกว่าเอาละครับผมจะได้ขอถือโอกาสนี้เรียนให้ทราบชัดถึงการเดินทางของเราเสีทีถูกแล้วครับลูกขาบและเกวียนเทียมควายที่จะบรรทุกสัมภาระสิ่งของซึ่งเราจะเอาไปด้วยจะหาสักกี่ร้อยก็ได้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 เพราะมีคาราวานเกวียนควายไปกับเราอย่างอบอุ่นคับข้งางระยะทางตอนนี้จะเป็นการพักผ่อนเที่ยวป่าไปในตัวแต่ภายหลังจะเริ่มต้นเดินทางที่หล่มช้างความหมายในการเดินทางของพวกเราจะเปลี่ยนไปในอีกรกษณะหนึ่งทันทีของทุกอย่างเราจะฝากไว้กับหัวหน้ากะเลี่ยงที่หล่มช้างพวกลูกหาบก็จะเดินทางกลับและเราเดินทางต่อไปด้วยสัมภาระจาเป็นเท่าที่จะนาติดตัวไปได้เท่านั้นอย่างที่เรียนแล้ว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 เชษฐาจุดแขนและปิดให้ตรงไปที่หีบหลังปืนขนาดต่างๆอันวางอยู่มุมห้องอย่างกระตือรือร้นชายยานและดาลินเดินตามมาด้วยเชษฐาหยิบปืนขึ้นมาส่งให้พรานใหญ่ดูทีรักบอสเขารับมาดูอย่างสนใจออกปากชมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรเฟิลแฟดขนาดจุดหกศนในโตเอ็กซ์เพรสซึ่งด้ามได้ผ่านท้ายปืนแกะสลักไว้อย่างวิจิตรการตา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 เพราะวันนั้นเราเห็นคุณรพียนยิงไอ้ดำที่สนามนีกากศาสตร์ของคุณอภพลมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณคงจะไม่หัวเราะเรานะหากเห็นผมกับเชษฐาเลือกเอาพวกดับเบิลไลเฟิเรายอมรับว่าเราไม่ชำนาญเท่าคุณและก็ออกจากขี้คลาดอยู่สักหน่อยขอเลือกวิธีปลอดภัยไว้ก่อนแต่ต่อให้จุดหกศูนย์ในโตเอ็กซ์เพรสกระบอกนี้